คำนำท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชได้เมตตาสั่งสอนสิทธิ์ให้เข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเน้นการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเพื่อให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์ท่านพระอาจารย์ได้เขียนหนังสือสาหรับผู้สนใจนาไปใช้เป็นแนวทางในการภาวนาเอาไว้หลายเล่ม รวมทั้งได้เทศนาอบรมสั่งสอนศิทยานุสิ์เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ที่สวนโพธิยานอรั ญ, ญาวาสีจังหวัดกาญจนบุรีจนย้ายมาที่สวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งคณะสิทธ์ได้บันทึกธรรมเทศนาเหล่านี้และแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจในรูปของซีดีขีดเอ็มพสาไปแล้วเป็นจานวนมาก จึงนับได้ว่าทั้งหนังสือและซีดีขีด MP สเป็นสื่อที่สำคัญในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ได้เห็นถึงความสำคัญในการรวบรวมคำสอนของท่านพระอาจารย์ที่ได้แสดงธรรมในวาระต่างๆซึ่งเป็นธรรมะที่มีคุณค่ายิ่งดังนั้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม คณะผู้จัดทำรรจึงได้รวบรวมและคัดเลือกข้อความที่สำคัญในธรรมเทศนาตั้งแต่ที่ได้มีการบันทึกเสียงจนถึงเดือนมิถุนายน2551มารวมเป็นหมวดหมู่ที่สามารถอ่านและสืบค้นได้ง่ายอีกทั้งยังให้อัธรตรในรูปแบบธรรมเทศนาที่เสริมความเข้าใจในธรรมะให้ง่ายขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งท่านพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอนุ ญ, ญาต ให้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานนับว่าเป็นความกรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นห้าบทโดยเน้นด้านธรรมปฏิบัติดังนั้นผู้อ่านที่มีศรัทธาและมีความรู้ด้านปริยัติมาบ้างสามารถอ่านเรียงตามลำดับตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่ห้าส่วนผู้อ่านที่เห็นว่าเนื้อหาด้านการปฏิบัติภาวนา ในบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่ยังหนักเกินไปก็สามารถเริ่มอ่านบทที่หก่อนได้เพื่อสร้างศรัทธาและแนวทางการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก่อนจากนั้นจึงกลับมาอ่านบทที่หนึ่งถึงบทที่สต่อไปก็ได้อันหนึ่งวัตถุ ป, ประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการรวบรวมสาระสำคัญของธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ปาโมดปาโมดโชดังนั้น จึงไม่ใช่ตำราที่สามารถบรรยายข้อธรรมต่างๆได้อย่างละเอียดครบถ้วนโดยเฉพาะบทที่หนึ่งซึ่งเป็นการอธิบายหัวข้อธรรมและลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมนั้นคณะผู้จัดธรรมได้นำธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มาอธิบายโดยสังเขปเท่านั้นหากท่านผู้อ่านต้องการรายละเอียดที่สมบูรณ์กรุณาศึกษาเพิ่มเติมไดจากหนังสือที่ท่านพระอาจารย์เป็นผู้เขียน อกจันหากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดๆคณะผู้จัดทรรมขอน้อมรับและขออภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการไว้ณที่นี้และจะนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไปคณะผู้จัดทำรร7กันยายน2551อธิบายดอกจันดอกจันหนังสือที่พระอาจารย์ปราโมชปราโมชโชเป็นผู้เขียน1 วิธีแห่งความรู้แจ้งฉบับรวมเล่มพิมพ์ครั้งที่24มกราคม2551สำนักพิมพ์ธรรมดา 2. ประทีปสองธรรมพิมพ์ครั้งที่13กรกฎาคม2551สำนักพิมพ์ธรรมดา 3. ทางเอกพิมพ์ครั้งที่14 มกราคม2552ัอยหาสิบำนักพิมพ์ธรรมดา 4. วิมุตติมักพิมพ์ครั้งที่7จ็ดมกราคม2552ัอยห้าสิบำนักพิมพ์ธรรมดาห้าเกนทำคําสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลพิมพ์ครั้งที่สองมกราคม2552ัอยห้าสิบสำนักพิมพ์ธรรมดา